าก็ปรงตกละเรื่องของคารวาเรื่องของอยู่ในความรับชอบของเราเรายังไม่ปรุงนี้นะเพราะความเมตตา น, นั่นเองที่ไม่ปรงเลยมังต้องได้ขี้กันอยด้วยว่ากันอยู่เ้ยไม่ว่าไม่ได้ไม่เห็นนะไม่ได้คิดนี่ใครจะมาพูดคำนี้ให้คิดมีเหรอนี่อันหนึ่งอ่ะ จะว่าเจ้าของจะคิดธรรมดาเลยแม้แต่พูดจะมักพูดให้คิดมันจะไม่มีหรือไม่มีนอะจะว่าไงนี่จะว่าผมเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วแต่เพื่อนจะพิจารณาเนาะคาพูดเช่นนี้ผมก็ไม่เคยได้พูดเพราะมันไม่เคยปรากฏในใจในทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นหรือว่าไงเพราะธรรมชาติที่มันเป็นอยู่รู้อยู่เหยนอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นท่า ง, งหลายราโลกมันกับคนละโลก มันไม่ใช่โลกแล้วมันไม่มีอะไรครับไปเกาะไปเกี่ยวเลยสิ่งในที่แสดงมามันจะไม่เห็นไม่รู้ยังไงนี่อัจฉริยะพระพุทธเจ้าสิไม่เห็นองค์ศ า, าสดาก็ตามเกิดความจริงประกาศลั่นอยู่นี่คือองค์ศ า, าสดาเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้แสดงบอกไว้ทั้งนั้นรงเป็นไปนหมดแล้วเนี่ย โลกนอกๆเราไม่ต้องพูดไม่มองเห็นตัวเลยเห็นตัวคือหมายก็ว่าเห็นกิจกรรของธรรมสแสดงออกมันมีแต่อันเดียวดังนั้นเคน ล, ล, ลื่อนไหวอะไรๆดังนั้นเป็นเจ้าตัวการเป็นผู้ถือบังเหียนเป็นผู้ควบคุม อย่าถึงขนาดที่ว่าไม่ได้รู้สึกตัวเลยว่าอันนี้เป็นไผ่อันนี้คือสิ่งเครือบแฝงใจอันนี้เป็นนายบีบบังคับอันนี้เป็นยักษ์อันนี้เป็นผีมันพูดว่าไผ่ทอนนั้นมันกระคร่อมหมดแล้วนันไม่รู้เลยมั่นกว้านอันนี้มาเป็นเราของเราไปสมดนี่ที่มันมันมันกล่อมขนาดนั้นมันไม่รู้เลย แล้วจะเอาวิชาที่ไหนมาแก้มาอย่างให้ทราบวิชาในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีหวังว่ากันวิชานี้เป็นวิชาของมันเรียนเพื่อมันไม่เรียนเพื่ออะไรไม้แต่เรียนทำทำให้มุ่งใจจะปฏิบัตินันก็เรียนเพื่อมันจำเพื่อมันสร้างสมถติมาณนะสร้างสม ความสำคัญมันหมายว่าตนรู้ตนใจหลักหลักนักปราชาติกวีขึ้นมา ม, มันมันเข้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของไปหมดเลยไม่พ้นแม้แต่เรียนธรรมะว่าอะไรขนาดนั้นนะนุ่นพูดในวงหมู่ื่อนด้วยความเป็นกันเองไม่มีลี้ลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในความรู้สึกอันนี้มันตัด ถ้าบอกว่าพูดถึงกระเทือนมันกระเทือนตลอดเวลาทางตาทางหูทางอะไรน้ำปัดสัม ป, ปันอย่าง น, นี้อันหนึ่งมันไม่ได้ตั้งใจที่จะกําหนดกฎเจนจะสอดจะส่องจะดูมันนะคือมันหนักเป็นหลักธรรมชาติด้วยกันอันนั้นก็เป็นหลักธรรมชาติอันหนึ่งที่คล่องตัวของมันมันแสดงออกแต่และลายแต่และบุคคลแต่และสัตว์ มันเป็นความคล่องตัวเป็นหลักธรรมชาติเป็นอตุนามัต้องมันมันแสดงของมันอยู่อย่างนั้นเจ้าตัวก็ไม่รู้มันหนักเป็นผู้ทำงานเองสิ่งที่เป็นเจ้าโลกในหัวใจนี้มันผักมันดันมันทำการทำงานของมันโรงงานของมันนี้ไม่มีเวลาปิดเลยไม่มีวันเสาร์วอาทิตย์วันพระวันกนไม่เลือกอิริยาบถมันทำของมันอยู่ตลอด เป็นอัตโนมัตินี่คือหลักธรรมชาติที่มันสิ่งที่มันเนืน้อนาจครอบหัวใจที่มันเป็นเจ้าโลกพาโลกให้หมุนเวียนเกิดแก่เก็บตายและรับความทุกข์ความลําบากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้เลยนี่คือธรรมชาติ น, นี้มันทํางานอยู่บนหัวใจของตัดโลกโดยตัดโลกไม่รู้สึกเลยนี่เป็นธรรมชาติของมันทีนี้ธรรมชาติอันหนึ่ง ที่สามารถที่จะรู้มันได้นั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องสังเกตไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางมันนับเป็นธรรมชาติหรือหลักอัตโนมัติอีกเช่นเดียวกันมันถึงทราบกันได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดแล้วออกมันจะละเอียดขนาดไหนก็พ้นเรื่องธรรมซึ่งเป็นของละเอียดเนื้ออันนี้ไปไม่ได้นี่สิมันรู้อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเห็นอยู่อย่างนั้น มันไม่แค่มาคิดมาปรุงก็มาสอดมาสอบ ด, ดูถึงจะรู้ถึงจะเห็นนะะก็เหมือนอย่างหูเรามีเนี่ยเสียงเปี้ยงป้างขึ้นเปรี้ยงป้างขึ้นมาอย่นี่ไม่ตั้งใจฟังมันก็ได้ยินตาพาดที่ไหนสายไปที่ไหนไม่ตั้งใจจะดูมันก็ผ่านสายตาไปจนได้เพราะมันเป็นหลักธรรมชาติของสิ่งที่เห็นที่ได้ยินสําหรับเห็นสําหรับได้ยิน น, น่ารดลงกลิ่นริมรถเนี่ยพูดง่าย มันเป็นหลักธรรมชาติของใครของเราเมื่อสัมผัสสัมพันธ์กันมันก็ต้องปรากฏปรากฏปรากฏระหว่างโลกกับธรรมมันก็เหมือนกันโลกก็หมายถึงกิเลสที่ต้งมวลธรรมก็หมายถึงเครื่องที่จะรู้กันเห็นกันแก้กันมันเป็นต่างอันเป็นต่างต่างอันเป็นต่างเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองทีนี้มันก็ทันกันโดยไม่ต้องตั้งใจ สังเกตสั้งกามันก็ถันมันหากสัมผัสสัมพันธ์มันทําให้รู้ให้เห็นให้พิจารณาแต่ตองไปตามมันโดยหลักธรรมชาติอีกการพิจนารณาอื่ยมันเป็นทั้งหมดนี่จรอมันละเอียดมากนาในชาติในสามแดนโลกชาตินี่ไม่มีวิชาใดที่จะสามารถสอดรู้ธรรมชาติอันนี้ที่ทํางานอยู่บนหัวใจคน ไม่มีทางเลยมิจะเรียนมากน้อยขนาดไหนก็เถอะเรียนก็คืองานของมันให้เหรียนการทํางานของมันผลรายได้เป็นของมันไม่ใช่เป็นของธรรมมันทางานของมัน อ, องนั้นนี่ที่ถ้าเราพูดถึงเรื่องความสุดสัมเร็จมันจะไม่สุดสัมเร็จ์ยังไง มันกล่อมถึงขนาดมันจงไม่รู้ยิ่งสมัยตุ ว, วันนี้ยิ่งนับวันรุนแรงขึ้นอํานาจของมันมีมากไม่ทําให้รู้เลยอะไรที่จะคล่องปากคร่องใจเป็นเครื่องส่งเสริมเป็นให้เคิร์มไปตามมันนั้นสนใจมากนะักเวลาเพราะมันทําให้สนใจอีกเนี่ยมันสัญซานสัญซ า, านเข้าไปเลยเป็นลาดับลาดาไม่รู้กี่ กี่สลับซับซ้อนเรื่องความละเอียดแล้มคมของมันมันแทรกอยู่ทุกถ้าเป็นขนก็ทุกขุมขนถ้าเป็นม็ดถิ่เม็ดทรายก็แทรกทุกม็ดถิ่เม็ดทรายหุดถึงใจก็แทรกอยู่ในหัวใจเต็มแล้วแล้วอาการอะไรที่แสดงออกมาจะไม่ใช่อันนี้แสดงจะเป็นอะไรแสดงออกมาเล่าน่ะออกมาส่วนละเอียดก็อยู่ออกมาจากใจพอออกมาสู่กายสู่วาจาสู่กิริยาท่าทาง ก็เป็นส่วนอยากมานี่ก็พอมองเห็นได้แต่ที่ไม่มองเห็นซึ่งมันทํางานอยู่ภายในตัวของมันนั่นนี่มันละเอียดขนาดไหนนี่แหละแล้วใครในโลกนี้สามารถรู้ได้และละได้ฟังที่โลกถึงสามแดนโลกกระทหารายหนึ่งไม่มีเลยแล้วก็มีพระพุทธเจ้าเพียงพระอุณิเดียวเท่านั้นฟัง ไม่ทรงได้เรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดศึกษาจากผู้หนึ่งผู้ใดวิชาแขนงที่จะสังหารธรรมชาติเจ้ามหาอำนาจนี้ให้บันไลัยลงไปจากพระไทยมีวิชาสยามภูเท่านั้นคือทรงรู้เองเห็นเองทรงปฏิบัติเองจะด้นเดาก็เป็นเรื่องของพระองค์เองเพราะทางไม่เคยเดินสิ่งไม่เคยรู้ก็ต้องมีรูปคำขังเป็นธรรมดาดังที่ไปสัม ที่สายในสำนักมันสำนักนี้สำนักไหนก็เป็นสำนักอยู่ใต้อำนาจของมหาอำนาจนิสียพระองคนก็ทรงทราบว่าวนี้ไม่ใช่ทางไงจึงนี้มาสมลำพินโดยลําพังพระองค์แล้วก็ะทรงย้อนและลึกถึงขณะที่ทรงพระเยาอยู่พระราชวิดาพาไปแรกนาขวานรงประทับอยู่ใต้ล้มว่าเลยล้มไม้ล้มว่า ควรจริญอนนาปานสติทรงเห็นผลนั้นย้อนเอาอันนั้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาอนนาปานสติในคืนที่จะตริดสู้นั่นแหะเพราะไม่ทรงรู้ทรงเห็นจากใครไม่มีใครบอกใครสอนวิชาที่เรียนมาเหล่านั้นเป็นโมฆะทั้งนั้นไม่มีความหมายในการแก้มหาอํานาจที่ครอบในหัวใจบังคับในหัวใจนี้ ได้ทรงพิจารณาหนาปานมาสติอารมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์นี่เริ่มเข้าสู่สัจธรรมอันเป็นทางบุกเบิกอันเป็นทางสังหารอันเป็นเครื่องสังหารแล้วยังได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาคำว่าอุเพนิวาสานุสิสติญาณพระองค์ทรงเคยรู้เมาาื่อไร ได้ลเลือกชาติย้อนหลังได้กี่ชาติกี่กลับกี่กันจนไม่มีประมาณก็ทรงรู้ถึงความไม่มีประมาณตลอดตัวถึงแหงพวกแห่งชาติของสัตว์ทั้งหลายมีพระองค์เป็นประธานไม่เป็นประมาณเป็นหลักเราเคยคุยแจ่เจ็บการยังไงยังไงอาสวะเค ย, ยบุเพนิวาสารดิยานเคยเป็นมาอย่างไงยังไง ทรงทราบย้อนหลังไปจากปัจจุบันคือจิตดวงนี้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติความเกิดแก่เก็บตายล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องความต้องเจี่ยวในวัตถุสงสารเพราะอำนาจเจ้ามาอำนาจนี้พาให้หมุนให้เวียนอาชิมามยามก็ทรงทราบถึงเป็นจุดุปาทยาน อยปฏิยานคือทราบความเกิดความตายของสัตว์ไม่มีประมาณมีอยู่ทุกแห่งทุกผนทุกห ย, อย่อมหญ้าเื่เกิดเรื่องตายของสัตว์เกิดที่นี่ไปตายที่นั่นเกิดที่นนไปตายที่นี่ไม่มีที่ไหนว่างเลยทรงทราบตลอดตัวถึงพอปชิมยามก็อาสมัคคยานก็ ปรากฏขึ้นมาอย่างเด่นดวงพยานความยุแจ้งความสิ่นอาสวะทั้งหลายนั่นคือว่าได้ตรัตจลนี่แหละวิชาของสยัมผูมีพระองค์เดียวเท่านั้นมาทำลายกงจับของอิเลตในชาวพุพทธบริษัทของโปร ให้พินาศาลิบหายไปกลายเป็นที่สุดที่บุคคลพ้นแล้วจากโทษแห่งโกรงขังเรือนจังคือความเคยแก่เจเ็บตายโดยมีเจ้าในอันใดโตนี้เป็นผู้บังคับบัญชากดขี่คุมเหงอยู่ในเรือนจังไม่ใช่วัตรจัก ได้สิ่งสุดพิมุดหลุดพ้นไปที่แรกก็มีเพียงพระองค์เดียวมาทรงทราบไปจักพระไทยแล้วก็นำธรรมานี้ไปสั่งสอนสัตว์ลูกสาวกประราชรหรที่จะดำบรรลุตามท่านก็หลุดพ้นหลุดพ้ น, พนจากคงขังออกไปจากนั้นก็เป็นผู้สำเร็จพรกิจโซดา โสดามีพร ะ, ะกิตาคามีก็มีพร ะ, ะอาณาคามีมีเพื่อที่จะก้าวเขาออกจากวัฏจักรเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงไปตามการเวลาเท่านั้นมีกฎมีเกณฑ์มีหลักเป็นที่แน่ใจแล้วมีธรรมเป็นเครื่องยึดมีส้ําเอาใหญ่ได้แก่ธรรมเป็นเครื่องยึดของใจแล้ว ก็น้ำเผาใหญ่ก็หลุดพ้นไปได้จากมหาส ม, มุทรมหานิยมมหาจงทั้งเป็นทั้งตายนี้ออกไปได้ทังนั้นมาก็เป็นกริยานบปุถุชนถึงบัตไตรสาระคือประพุทธจาก พ, พระธรรมพระสงฆ์ก็มีเป็นเครื่องยึดไปโดยลำดับลำดาจนมาถึงพวกเรล่านี้อันนี้กิเลสมันลบหมดเพราะมันมีอำนาจ ทำที่กระเทือนโลกธาตุและเป็นฆ่าสืบต่อมันอย่างยิ่งไม่มีที่มันจะกลัวอะไรกลัวแต่ธรรมนี้เท่านั้นแต่มันก็สามารถลบล้างความจริงของธรรมนี้ให้กลายเป็นของปลอมยกตัวของมันขึ้นเป็นของจริงบนหัวใจสัตว์สัตว์ทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องความเห็นผิดโดย ถือว่าเป็นความเห็นถูกไปตะดตามมันผานในจิตใจอย่างฝังลึกกระจายออกมาจากจิตใจก็เป็นไปตามความรู้ความเห็นความเป็นของมันไปหมดแล้วยังยึดนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกิตเป็นใจหมดไม่มีชิ้นใดเหลือแยกออกไปจากว่าเป็นตนเป็นของตนเลย การโลกถึ้งได้พอใจทําความชั่วช้าละมุกบาบาปเป็นสิ่งที่กระเทือนโลกมานานผลของมันทําให้โลกได้รับความทุกสัตว์โลกก็ไม่กลัวบุญเป็นสิ่งที่เกิดเทือนโลกมานานในคุณสมบัติแตมีความสักเพราะอํานาจแห่งการบำเพ็ญธรรมสัทโลกก็ไม่สนใจเพราะอํานาจแห่งความละเอียด อ้อยอิงของมันนั้นได้กรองอย่างสนิทใจอย่างสนิทติดใจจนไม่มีวาระโอกาสใดที่จะคิดขึ้นว่าสิ่งนี้คือความผิดอันนี้เป็นเพยงปลอมเป็นเพ่งกรองพันศาโลกหลงไม่เคยคิดเลยอะไรอะไรก็เลยเอกสรรปัญนย่อขึ้นมา ของปลอมเสกสรรปัญยอขึ้นมาให้เป็นของจริงให้เป็นความนิยมในสังคมของมันนั่นแหละที่ครอบหัว อ, อยู่นะนกลายเป็นความนิยมทุ่มชอบไปตามๆกันหมดเพราะศาสตร์โลกอยู่ในเป็นสังคมของมันดังนั้นจะเป็นสังคมของใครไม่ใช่พุทธบุตรษ แม้แต่ผู้ผุทธบริษัทนืงก็ไม่พ้นจากเป็นความเป็นสังคมของมันตามขั้นภูมิแห่งความยากละเอียดของธรรมและของกิเลส น, นี่แหละที่มันพูด ถ, ถึงหน้าอิจฉาแลอาใจกว่าหน้าที่สุดพูดถึงเรื่องความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าก็อัศจรรย์จนล้นหัวใจวาสามารถ นำธรรมเหล่านี้มาไต่หัวกิเลสให้พังทลายไปจากสัตวโลกนี้พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทั้งนั้นนิลาวิชาสังหารกิเลสคือศาสนธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้นับพอประมาณมีแปดหมื่นสี่พันระธรรมคันพระสูตรก็เล่าเรื่องเล่าราวเพื่อเป็นคติแก่ผู้ฟัง เรื่องคนและสัตว์ดีชั่วต่างๆทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทําอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นทํานั้นทําชั่วได้รับความทุกข์อย่างนั้นคนนี้ทําดีติดรับความสุขความเจริญอย่างนั้นนั้นเพื่อนยึดมาเป็นคติเรงีเรียกว่าพระสูตรท่านน้อยกองกองเอาไว้เป็นคติตัวอย่างของคนผู้ที่เจ้าเป็นเจ้าของแห่งตํำลับตาลาเป็นเจ้าของแห่งพระสูตรนั้นๆ ก็ร่วงลับผ่านไปแล้วแต่นาเรื่องนั้นมาเพื่อเป็นคติแก่กุลบุตรที่กำลังก้าวเดินอยู่นี้ให้ได้ยึดเป็นคติทางฝ่ายชั่วก็ให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ชั่วแล้วพยายามปล่อยวางละวางละเว้นไม่ทังผู้ที่ดีเรื่องที่ ด, ทดีที่เป็นคติตัวอย่างอันดีก็ให้ยึดมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องยึดข้อปฏิบัตินะพระวินัยคือ ข, ข้อบังคับไม่ให้ปรี่ ออกนอกรูกนอกทางอันจะเป็นเหตุให้เหยียบขวากอย่างน้ำเป็นอันตรายแก่ตนเองได้แก่ความชั่วช้าหลามกอย่าทำไม่ให้ทำนี่นะพระวินัยเป็นร้ว ก, กั้นสองฝากทางเอาไว้ไม่จัดโลกไม่ผู้ปฏิบัติผู้เคารพนับถือเรื่องใสพระพุทธเจ้าปีกออกไปโดยความไม่รู้สึกตัวว่าเป็นความผิดจึงบอกได้ ว, ว่าสิ่ง น, นั้นผิดสิ่ง น, นั้นผิดอย่าทำ นี่เป็นกฎข้อบังคับยังปรับโทษไว้ด้วยเพื่อคนนั้นจะได้รู้สึกตัวเห็นโทษน่ี่พระองค์มีพระเมตตาขนาดไหนอันนี้ทำได้แก่ทางดําเนินพระประมาทัศนั่นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแสแดงไปไว้หมดทุกแง่ทุกมุม พระวินัยก็มีไว้แล้วเป็นรู้ว่าสองฝากทางกั้นเอาไว้ไม่ให้สัตว์ปีกแวะไปจะผิดจากทางดําเนินอย่างธรรมนี่ก็ประกาศธรรมสอนไว้ให้ดําเนินอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะพระสูตรพระวินัยพระประมัติที่กล่าว ม, มาเหล่านี้เป็นอาการทั้งหมดแห่งธรรมอันแท้จริงให้ปฏิบัติ ตามพระวาจาตามพระว่าที่ทรงสั่งสอนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกุยหมายป้ายทางอันถูกต้องแม่นยาต่อจุดที่หมายไม่เป็นอื่นทรงสั่งสอนให้ดําเนินไปตามนั้นไปตามอาการของธรรมเพราะาศาสนธรรมที่แสดงออกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพระสูตรไม่ว่าจะเป็นพระวินัยไม่ว่าจะเป็นพระพระประมัติษ เป็นชื่อแห่งธรรมแท้แท้ทั้งนั้นเป็นกุยหมาป้าทางเพื่อจะเข้าถึงธรรมแท้เป็นเข็มทิศทางเดินเพื่อจะให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราเนี้ที่จะเกิดขึ้นที่ใจไม่เกิดขึ้นที่อื่นอันจึงสอนมาอย่างนั้นผู้ฟังด้วยความถึงใจทำไมจะไม่ซึ้งภายในจิตใจ ของแห่งธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นของจิ่งล้วนๆเหล่านี้เราเมื่อปฏิบัติดําเนินไปแล้วอย่างไรก็อย่าลืมนะว่าเจ้ามาอํานาจนี้จะต้องแท้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเหมือนหมาไล่เนื้อและไล่ใกล้คิดติดพันยิ่งกว่าหมาไล่เนื้ออีกหมาไล่เนื้อเวลายังห่างยังมีเวลาหลงกลิน ตามปรินไม่ทันก็มีหลงล่องหลงลอยสูตรดมทั้งนั้นทั้งนี้ที่นั่นที่นี่ก็มีในเรื่องของเจ้ามหาอำนาจคือกิเลสประเภทมหันตุขแก่สัตว์นี้นั้นไม่มีหลงลอยหลงล่องหล ง, ล, งลอยนะไม่ว่าจะผู้ปฏิบัติธรรมะขั้นใดมันจะมีธรรมชาติของมันเอง ตามขั้นภูมิแห่งความอยากความละเอียดของธรรมมันก็ตามขั้นภูมิแห่งความละเอียดแหลมคมที่พอเหมาะพอสมจะกรบร่องกบรบลอยไม่ให้เราตามร่องรอยไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติเช่นจิตตภาวนายึงต้องเสียท่าเสียทางอยู่สมอแต่ตนก็ให้รู้ว่าเสียท่าเสียทางเพราะอะไร นั่งภาวนาแทนที่จะสงบมีความสบายสะดวกสบายลื่นเริงภานจิตใจก็กลับเป็นแต่เรื่องของผลของกิเลสมาสแสดงขึ้นเสียหรือเหตุของกิเลสมาทำงานอยู่บนหวัวใจของผู้สมาธิภาวนาตั้งเสียมันลากมันถูไปที่ไหนแดนโลกธาตุกำลันเสวะอยูดด่ที่ไหนมันน่าพาไปจนหมดคือไปด้วยความหลบหลัวไปด้วยความเลี้ยวไหลไปด้วย ลนุ่มแรงแรก็เชื่อมันไปตามความลมนุ่มแรงแรงหาที่เข็ดที่หลับไม่ได้ทั้งท่านที่ถูกโกหกอยู่ตลอดเวลาในขณะสงกิจที่พาคิดพาปรุงไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชักจูงจากตัวหลอกลวงนี้ทั้งนั้นเราก็ไม่ทราบได้นี่หลอทีนี้ทําเมื่อแทรกเข้าไปไม่ได้ในวงความเพียนมีแต่กิเลสเพียนซะหมดเอาไปกินซะหมดแล้วจะปรากฏ สมาธิทมคือความสงบเย็นใจได้อย่างไรนี่ดิมันน่าสะดุดสังเวชเะเกินนะแต่ยังไงก็ตามเมื่อเราทราบเหตุทราบผลว่าค่าศึกศัตรูนั้นแนบสนิทอยู่กับใจของเราตลอดเวลาแล้วเราย่อมจะจับอาวุธขึ้นมาต่อต้านระวัดระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันไม่ว่าแต่เวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอิยาบทใดต้องมี เพื่อป้องกันตัวรักษาตัวอยู่เสมอไม่ให้สิ่งเหล่านี้แสดงตัวขึ้นมาไม่แก่สติสําคัญมากนะสติสติระลึกรู้แล้วมีทางที่จะปดเปลือกแก้ไขกันทางต่อสู้กันมีอุบายวิธีการที่จะแก้ไขต่อต้านกันก็เป็นเรื่องของปัญญาเกิดขึ้นเพราะความระลึกรู้ในข้าสึกที่ปรากฏตัวขึ้นมานะตัวสติเนี่ยสําคัญที่รู้ จึงต้องได้ถี่ยิบเรื่องความเพียรเหมือนกับเข้าสู่สงครามหรือเหมือนกับเขาชกมวยกันบนเวทีต้องจ้ออยู่ตลอดไม่งั้นตายแพ้เปลี่ยวเท่านั้นหงายตูมเลยไม่สร้างมาท่านไหนคู่ต่อสู้มาไม่ทราบว่ามัดว่าเขาว่าศอก ว, ว่าถีบว่าตะแล้วเผลอตรงไหนเข้าตรงนั้น เพราะผู้นั้นก็จ้องเอาตุกตุกจีเพื่อไอ้เล่าก็ชอบเผลอแล้วก็ต่อยเอาเรื่อยๆนี่แหละมันมันถึงเข้ากันไม่ได้กับค่าศึกอยู่ภายในใจของเรานี่นะมั น, ม, นมันเด่นขนาดนั้นอะเวลานี้กําลังยิ่งกําลังเด่นขึ้นเรื่อยๆนับวันส่งเสริมต่างคนต่างสนใจต่างคนต่างส่งเสริม ไม่ละลึกเลยว่าเป็นพิษเป็นภัยเห็นว่าเป็นของที่น่าเพลิดเพลินรื่นเริงเคลมอไปตามเพลืนไปตามทุกเพศทุกใบเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทําลายได้แม้ในวัดในพระในเนต ท, ทั้งท้งที่มันส่วนหยาบนั่นแหละไม่น่าจะมีในวัดในวาในพระในเนตมันมีได้เพราะชอบมัน สมัครใจกว่ดต้อนมันมามันไม่มาก็ระสมแสงหามากว่ดต้อนมันมาทั้งคนมาให้พอใจรับพอใจเอาด้วยความพอใจกับสิ่งนั้นๆที่จะเป็นภัยต่อจิตใจมันจึงมีได้ทุกแห่งทุกหนไปที่ไหนมีเกลือนว่าด้วยสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นเจ้าหน้าเจ้าตาเจ้าอำนาจวาสนาเจ้ายศเจ้าสักด์ เจ้าสงา่าตัวสง่าราสีไม่รู้ว่ามันเป็นนั่นคือตัวจอมปอมยกตัวจอมปอมหลังเป็นของจริงขึ้นมาก็เหยียบย่ําทําลายของจริงให้ทาเยเออตัวไม่ขึ้นสุดท้ายก็เหยียบย่ําทําลายะด้วยซ้ําไปอทำที่เป็นของจริงกลายเป็นของขื้อของลาสมัยสิ่งที่เคยเป็น ที่เทิดทูนของจอมปราดทั้งหลายไอ้ตัวความชั่วช้าละมกที่มันเต็มอยู่ในหวัวใจนี้มันกลับเข้าไปพาไปหยับย่ำทำําลายว่าเป็นของไม่ดิีไม่ดีเป็นของคลึกของร้าสมัยหาคุณค่าไม่ได้ไปเส่ไหมนี่แหละมนุษย์เราที่ลดคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ลงและเพิ่มความเดือดร้อนวุ่นวายความระสำ่ำระสาย ความทิดหายวายปวงขึ้นโดยลำดับและวงกว้างจะหาประมาณไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นเหมือนกันเพราะต่างคนต่างชอบต่างคนต่อต่างคนต่างสะแสวงต่างคนต่างบำบรุงส่งเสริมสิ่งนี้จึงมีกำลังมากกำลังทำลายหัวใจสัตว์โลกทั้ท ง, ทงที่มันทำลายหัวใจให้เป็นฝืนเป็นไฟนั้นก็ยังมุ่งหวังความเจริญมุ่งหวังความมีหน้ามีตา มุ่งหวังรบาบรรดาศักด์มุ่งหวังความมั่งความมีดีเด่นความสุขความเลิศจากธรรมชาติไฟ ม, มาราัยกันที่มันเผาอยู่ภ า, ายในจิตใจเพราะอำนาจแห่งตัวมหาภัยนี้ไม่มีทางทราบได้นี่สิที่มาศาสนาจะหมดไปจากจิตใจของโลกหมดไปเพราะสิ่ง น, นี้ลบล้างต่างคนต่างส่งเสริมต่างคนต่างพอใจทำซึ่ง เป็นที่เทิดทูนของจอมป่าก็ค่อยนับวันอับเฉาไปจากกิตใจแม้ทําจะมีคุณค่าพระเสิฐเพียงไหลก็ตา ม, มก็จะถูกปิดบังคุณค่านั้นไว้หมดมีตั้งแต่จอมมหาโทษสนเสนียดจันไหลนั้นถูกเสียสันขึ้นมาเปิดฟันดออขึ้นมาเป็นของดีเยียบหัวใจสัตว์ทุกร้อนขนาดไหนก็ยังไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญก้าวหน้าเรื่อยๆไปตายเกิดตายเกิด มันนี้กี่พบกี่ชาติเพราะอํานาจแห่งธรรมชาตินี้กดขี่บังคับและรีดและไถก็ไม่เห็นโทษยังหวังความเจริญอยู่เรื่อยๆนี่ยเห็นไหมสิ่งที่มันหลอกมันรวมเป็นสิ่งร่มๆแรงๆผู้เชื่อจะเชื่อแบบรวมๆแรงเชื่อหาประมาณไม่ได้ซึ่งไม่มีหวังที่จะได้เป็นความุกความเจริญดังใจหมายนั่นเลยมันก็หวังมนุษย์เา่า อยู่ด้วยความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังก็เพราะสิ่งนั้นมันพาให้คนสมหวังที่ไหนมันนอกจากสังหารทำลายให้แหลกแต่กระจายไปตลอดเวลาโดยอัตโนมัติของมันโดยอานาจหน้าที่ของมันที่เคยชินมาจนเป็นตัวของตัวเราเราไม่รู้แล้วจะหาความสมหวังมาจากไหนพียงยให้เป็นความสมหวังก็คือทาเท่านั้น ที่จะแก้เข้าไปแก้เข้าไปเริ่มตั้งแต่ขั้นสมาธิภาวนาดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ทุกยากลำบากขนาดไหนขอให้สละหัวใจลงไปเชื่อองค์ศาสดาเถิดเราจะมีมวันฝุดวันโผล่ขึ้นมาจนวันหนึ่งจนได้เวลาหนึ่งจนได้แม้ที่สุดจะไม่มากเพียงขั้นสมาธิความสองบอใจก็จะเห็นจะปรากฏขึ้นมาที่ใจใจนี่แลเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว ไม่ทรมทั้งหลายแม้แต่บาปกรรมความทุกข์ทั้งหลายใจยังยอมรับเพราะใจนี้ไม่ไม่เหนืออำนาจไม่มีสิ่งรักษาไม่มีสิ่งปกครองจึงต้องยอมตนให้เป็นเฉียงเจ็ดเท้าของสิ่ ง, งน้ำเหยียบย่ทำทําลายไปมาอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อมีธรรมเข้าเป็นเจ้าของมีสมาธิธรรมเป็นต้นพอเป็นหลักใจพอเป็นที่อุ่นเนี่ยทําไมจะไม่ได้ มีความสงบลงเย็นในขณะเดียวกันทำไมจะมเห็นคุณค่าแห่งความสมงบเยือเย็นเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความสมงบในขณะที่กิเลสมันถอยตัวห่างออกไปเพราะอำนาจของธรรมกำจัดมันแล้วนี่เมื่อได้ปรากฏนี่ขึ้นมาแล้วก็มีแก่ใจถ้าเชื่อองค์ศาสร า, าจะเป็นอย่างนี้นะให้เชื่อให้ถึงใจ บังคับเชื่อสัตยดาแล้วต้องเห็นภัยในสิ่งที่เป็นภัยตามองศา ส, สดาที่แสดงไว้ยากลำบากขนาดไหนต้องบึกต้องบืนต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือยอดเราหลายครั้งหลายหนไม่หยุดไม่ถอยวิริยานาดุขมะเจตินัง่งท่านประกาศรับรองไว้แล้วความเพียรในทางที่ดีที่ชอบนี่แหละ ที่จะยัางเราให้สมหวังความสมหวังแม้สมาธิหวังสมาธิธรรมก็ได้หวังแล้วได้สมหวังแล้วนะแล้วก็หมุนตัวเข้าไปบำรุงรักษาให้ดีสมรรถะวังครับให้ดีอย่าให้ฆ่าศัตรตูที่เคยเป็นต่อเราอยู่แล้วเข้ามาทำลาย คุณสมบัติอันเลิศอันประเสริฐที่เราไม่เคยพบเคยเห็นคือสมาธิธรรมนี้ให้บรรลัยหายไปแล้วเราก็จะได้ครองธรรม น, นี้เป็นต้นทุ น, นหมูนความเพียรกล้าไปโดยลําดับลําดาบนี่สมาธิธรรมจะปรากฏขึ้นที่จิตรู้ที่จิตเห็นที่จิตจะไม่สงสัยเลยเพราะอันนี้เป็นของจิง ศาสนาจริงอย่างไรทำนี่จริงอย่างนั้นทำนี่จริงอย่างไรทําของศาสดาจริงอย่างนั้นนี่ยเป็นอันเดียวกันไม่มีคําว่าการไม่มีคําว่าสถานที่ไม่มีคํามาอยู่ใกล้อยู่ไกลแต่อยู่กับความจริงเนี่อใครปรากฏความจริงขึ้นมาเพียงขั้นนี้เท่านั้นก็แน่ใจแล้วพิจารณาด้านปัญญา ถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งจิตมีความสงบเป็นจิตที่ควรแก่การพิจารณาสจตองแล้วเพราะเป็นจิตที่อิ่มตัวไม่หิวกระหายกับอารมณ์เพรอที่จิตเรศตัวฟุ้งซ่านลาคาญจะฉุดจะลากไปตกเหวตกบ่อตามอารมณ์ต่างๆแล้วกับพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งอสุภะธรเป็นสําคัญมากในขั้นรมแหลก เพราะราคาตันหามันดุลแรงนี่อ่ะกำลังของกิเลสอันนี้เป็นสิ่งที่รุนแรงมากเป็นที่อุจจารบาดตา ม, มากถ้าเรวก็เหลวมากในการแสดงออกของมันนั้นปราดทั้งหลายท่างจึิ ง, งตำหนิตีเตียนวงประเพณีของผู้มีธรรมจึงต้องให้มีมกฎเกณฑ์ในการประพฤติในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้ดังมนุษย์เรา ไม่ได้เป็นแบบเหมือนสัตว์เดรัจฉานที่เข้าไปตามภาษีภาษาของเราเขาไม่รู้จักหยาบไม่รู้จักละเอียดไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วประการใดเขาก็เพเลิดเพลินลื่นเริงไปตามเรื่องของเขาแต่มนุษย์เราจะเป็นอย่างนั้นหยาบมากเร็วมากเพราะธรรมชาตินี้เป็นสิ่งที่หยาบโลมและเป็นตัวเหตุอันสําคัญด้วยที่จะทําก่อความพินาศคิบหายให้โลกได้ถึงขั้นมล า, ายกันเป็นไปได้เพราะอันนี้ อันนี้เป็นต้นเหตุให้ความโลภเกิดขึ้นมากกว่านเข้ามาหาตัวนี้ตัวราคะตัณหาเนี่ยตัวกามกิเลสนี้โทสะปวดขึ้นมากมือปวดก็เพื่อเข้ามาอันนี้ทำอะไรก็เพื่ออันนี้เพื่ออันนี้ส่วนความหลงเป็นสิ่งที่ฝังจมงอยู่แล้วเราไม่ต้องพูดไม่ได้เป็นอะไรแสดงอะไรออกมาเต็มที่เต็มฐานเหมือนเจ้าราคะตัณหานี่เลยอันนี้เป็น ธรรมชาติที่ออกหน้าออกตามากทีเดียวยังจึ ง, จ, งจำเป็นต้องพิจรารณาเรื่องอสุภะสุผังซึ่งเป็นค่าศึกศัตรูต่อกันกับธรรมชาติอันนี้พิจรารณาข้างนอกก็าตามข้างในก็าตามขอแยกให้แยะให้ดูคนตายเป็นยังไงตายขณะนี้เป็นยังไงขณะต่อไปเป็นยังไงตายไปถึงวันหนึ่งสองวันเป็นยังไงกาหนดที่คลายออกไปจีเพราะเป็นความจริงนี่ เราคาดไปก็คาดไปตามความจริงไม่ได้คาดไปตามความจอมจอมดังกิเลสพาคาดพาหมายหลงหลงแรงแรงอันนี้เราคาดเข้าหาความจริงตายได้สองวันสามวันเป็นยังไงทีนี้ถึงสี่ห้าวันเข้าไปเป็นยังไงแยกแยะขยายดูในร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลของหญิงของชายของเราของเขาให้พิจารณาแยกแยะออกไปอย่างนี้แล้วมันระเบิดออกมาแล้วเป็นยังไงทีนี่ดูสิมันน่ารักไหม หน้ากำหนัดยินดีใหม่แม้แต่ทนดูก็จะดูไม่ได้แล้วเวลานี้จมูกจะพังทลายอยู่แล้วตาก็จะกระเด็นลู ก, กตาก็จะกระเด็นความรู้สึกก็จะระเบิดภายในหัวใจอยู่แล้วมันยังน่ารักน่ากำหนัดยินดีอยู่เลยจับหัวมันใสเข้าไปดิถ้าว่ามันเก่งจริงนั่นน่าปฏิบัติให้แยกให้แยกปีนปิพิจานานี่แหละท่านเรียกว่าปัญญาการสอนก็สอนปัญญาทั้งดุลอย่างนี้แหละผู้พิพิจานาให้แยกแยะ เป็นต้องบัตของตัวเองนี่ยิ่งละเอียดแล้วออกมาขึ้นกว่านี้นะอันนี้ท่านทั้งหลายอยากเข้าใจว่าละเอียดน่ะที่สะดาะแสดงนี้ให้มันเป็นขึ้นภายในตัวเถอะอ่าปัญญาปัญญาอันนี้ในคันนี้กว่าต่างจะกระจายไปหมดไม่เคยคิดไม่เคยรู้มันมันคิดมันรู้ขึ้นมามันสอดมันแทรกมันขุดมันค้นกิเลสอยู่ตรงไหนตรงไหนมันจะตามเข้าไปค้นแหลกเลีวไปหมด นี่เรพูดถึงเรื่องอสุภะพิจนารณาแตกกระจายแล้วเทียบไปหมดในสามแดนโลกธาตุมันมีผิดแปลกกันยังไงบ้างกับธรรมชาติที่เป็นอยู่เวลานี้กับสิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งมลนุษย์มีเป็นของวิเศษวิโสอะไรนี่ดูที่อันนี้วิเศษได้อันนั้นก็นยังเพียงชีวิตครองอยู่เท่านั้นหนังหุ้มห่ออยู่เพียงเท่านั้นไปเสกสรรว่าวิเศษวิสสที่ตรงไหนถ้าไม่ใช่คนตาบอดอย่างมือมิดปิดตา พ่อถูกพิเลตมันปิดเอาอย่างมิดตัวนี่ทําท่านก็ บ, บอกคุแล้วนี่จะเอานี่มาส อ, อนก็ควรจะเห็นเนี่ยปัญญาธรรมพิจารณาจนชัดเจนเทียบข้างนอกเทียบข้างในอ่าถ้าพิจารณาข้างใน ย, ยังไม่ได้ยังกระจ่างเอาข้างนอกมาพิจารณาซะก่อนเอามาตั้งไว้ตรงหน้าให้มันตายต่อหน้าต่อตากาหนดดิแล้วกําหนดเพื่อความจริงเพื่อแก้วความจำปอลอมห ล, มลงหลงแรงแรงนั้น มันจะผิดไปไหนคาดไปไหนก็คาดเพื่อความจริงไม่ได้คาดเพื่อความจอมปองผิดไปตรงไหนนี่คาดเพื่อถอดเพื่อถอนเมื่อเห็นตาความจริงนี่แล้วมันก็ถอดออกมาเอนมันหลงมันหลงตามความจอมปลองมันยังหลงไปได้ติดได้พันได้รักได้ชอบได้ทําไมพิจารณาอย่างอย่างนี้ซึ่งเป็นของจริงโดยแท้มันจะถอดจะถอนตัวไม่ได้มันจะรู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้มีเหลอไม่มีพระพิจ้าสอนไม่สมัยพระพิจ้าพ้นโลกได้ยังไงปล่อยวางได้ยังไง ท่านปล่อยวางด้วยวิธีใดท่านสอนวิธีนั้นไวอย่างอรุพรูพระจะพาม ส, ส, สอนท่าไปเยี่ยมปราชาก็เพื่ออันนี้เองเอาจนถนัดชัดเจนในหัวใจจนมันสลดสังเวชเทียบเข้ามาข้างในเทียบออกไปข้างนอกหลายครั้งหลายหนมันก็อิ่นตัวข้างมาันอ๋อประจักษ์ชัดแน่แล้วหายสงสัยรู้ชัดเจนพนใจขาดกันเลยระหว่างอรุพระกับจิตมีขาด ออกจากกันเป็นชิ้นเป็นส่วนไม่มีเงื่อนต่อกันมันก็รู้ได้ชัดไม่ต้องไปเรียนจากใครละนี่แหละปัญญาเนี่คือเรียนรู้ก็รู้ด้วยปัญญาเรียนก็เรียนด้วยความคิดความพิจารณาคาดหมายไปตามความจริงที่พระองค์ทรงสอนมาแล้วอย่างไรมันต้องเข้าใจเมื่อเข้าใจแจม่มแจ้งแล้วมันถอนตัวมาเองสามแดนโลกภานี่มันก็เหมือนกันหมดหลงที่ตรงไหนตื่นที่ตรงไหน เมื่อถึงความจริงแล้วไม่ตื่นไอ้จอมปลอมนั่นแหละมันทําให้ตื่นตลอดเวลาตื่นไม่มีหยุดมีถอยตื่นนมนมแรงแรงไม่มีที่จอดที่แวะนี่ไม่ตื่นมาพิจารณาเห็นต่างความจริงแล้วแล้วเมื่อมันถอนอ้กมาต่อถอนมาหมดแล้วมันจะไปไหนกิตปัญญามีอยู่รอบตัวนี่ตรงไหนมันขัดตรงไหนมันมืดตรงไหนมันไม่ เข้าใจตรงไหนมันต้องสอด ต, ต้องแทรกเข้าไปหาความเข้าใจหาสิ่งที่ขัดที่ข้องนเนี่ยเงี้ยปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้ปัญญาในวงปฏิบัติปัญญาในวงกิจตภาวนาเป็นปัญญาภาวนาเป็นกิจตภาวนาตลอดเวลาหมุนติวติวนั่นแหละที่นี่กิเลสที่มันเคยเป็นกองทัพใหญ่ๆแล้วพอตัวนี้ขาดสะพานประธานนั้นละ่ะมันต้องหไปหมด มีก็มีส่วนละเอียดละเอียดส่วนละเอียดนั้นก็ไม่พ้นที่จะตามกันไปจนได้มันแน่นอนแล้วที่นี่ที่จะตามคาดสิ่งทั้งหลายได้เพราะกองทัพอันใหญ่ ห, ญลหลวงที่ทันสมัยที่สุดในโลกนิยมกิเลสนิยมนี้ได้ถูกทําลายลงไปแล้วด้วยปัญญาอันชอบธรรมเห็นประจักษ์ใจในส่วนละเอียดกว่านี้มันจะละเอียดขนาดไหนมันจะเหนือปัญญาไปได้หรือมันจะสอดจะแทรกวินิพนาที่นี้ติดตรงไหน อันนี้ในส่วนหยากรู ป, ปรขันสามแดนโลกธาตุมันเหมือนกันนี่หมดโลกวิทูมันรู้แจ้งเหมือนกันหมดแล้วหายสงสัยมันยังติดนําพันอยู่ตรงไหนนี่มันจะตามเข้าไปตางเข้าไปสุดท้ายมันก็ตามเข้ามาในขันนี่แหละมันไปไปไหนแหล้วนี่ก็รู ป, ปรขันของเราก็เป็นอย่างนี้ของเขาก็เป็นอย่างนี้ทั่วแดนโลกธาตุก็เป็นอย่างนี้ไม่เน้นอย่างชัดเจนเนียนมันก็ลอยเข้ามาเนี่ย่องที่เคยพูดแล้วพูดเล่ากว่างไง พัฒนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะไปไหนมันก็ออกจากจิตยิบยับยิยบลอกอยู่ยิบยับยิบอยู่เหมือนแสงหิ่งห้อยเหมือนฟ้าแลบแล้วก็ตื่นปรุงเรื่องไรขึ้นมาก็ตื่นวาดภาพขึ้นมาหลอกตัวเองวันนั่งค่ําคืนยังรุ่งอยู่กับภาพอยู่กับอารมณ์แห่งความหลอกลวงมันไม่จื่นไม่จางเรื่องความหลงความตื่นความเพิ่มเพิ่มหลับไหลไปตามมันมันมันไม่มีวันอิ่พอทีนี้เมื่อก้าวเข้ามาถึงขั้นนี้แล้วมันจะรู้เนอมันจะมีวันอิ่มันพอ บูงขึ้นมาเรื่องอะไรมันก็รู้ว่าออกมาจากจิตนิสียมาเป็นภาพเรื่องอะไรเป็นภาพหญิงภาพชายหรือภาพเรื่องราวอะไรมันก็รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากจิตเป็นผู้วาดผู้ปรุงขึ้นมาเป็นผู้สําคัญมั่นหมายขึ้นมาปัญญาตามต้อนตามต้นรู้อยู่ที่ระยะระยะระย ะ, ระยะที่มันกระเพื่อมตัวออกมาปรุงแต่งเป็นอารมณ์ต่างๆซึ่งเคยหลงมันมาเป็นประจำตลอดถึงส่วนยับยบับถึงรูปเสีย ง, งกลิ่นรสเรื่องสัพพทั้งหลายที่เราตามไม่ทันเมื่อถึงขั้นทันแล้วมันพังไปหมด เหลือตั้ง <ic> แต่ส่วนที่ปรุงอย่างหยาบๆสาคัญอันอันส่วนกลางส่วนละเอียดมันก็ตามกันมา <followers. S 2> ตามต้อนกันอยู่ภาอังกิตนั่นแหละอือีนี่จิตมันเป็นอัตโนมัติปัญญาเป็นอัตโนมัติสติเป็นอัตโนมัติทำเป็นอัตโนมัติทีนี้เมื่อทําเป็นอัตโนมัติแล้วที่เรศมันจะหามาที่ไหนมันเกิดขึ้นจากใจใจทําลายมันอยู่ตลอดเวลาปัญญาสติปัญญาทําลายตลอดเวลามันก็ย้อนเข้ามาย้อนเข้ามา เห็นแต่ความยิบแยบยิบแยบของจิตที่มันหลอกตัวมันจะกระจายไปไหนก็ถูกตัดหมดแล้วก็มีแต่แสดงยิบแยบยิบแยบไม่เห็นมันออกมาจากไหนมันก็รู้อีรู้อีกตามเข้าไปตามาไปสุดท่านก็ไม่มันก็มีแต่มาจากจักรจิตมาจากจิตดับลงไปแล้วกลับไปอยู่ที่จิตเกิดขึ้นจากจิตดับลงไปที่จิตมันอะไรอยู่ในจิตนั่นนี่แหละมันดื่มมันซึมซาบเข้าไปเทานั้นแหละปัญญา เหมือนกับไฟได้เชือ้อนี่แหละเชื่อมันอยู่ภายในนั่นมันอยู่ตรงกิดตรงกิดปัญญาก็สอดเข้าไปแทรกเข้าไปสุดท้ายก็พังทลายหมดโรงงานของวัตจักรวัตถจิตเยประเภทต่างๆรวมตัวอยู่นั่นเอาให้แหลกแตกกระจายไปด้วยสติปัญญาที่เกรียงไกลที่ทันสมัยพังน้าหมดเอาที่นี่อลไยเป็นข้าศึกต่อใจ สามแดนโลกธาตุนี่มีอะไรมาเป็นค่าศึกต่อใจถ้าไม่ใช่ธรรมชาติที่มันเป็นค่าศึกต่อหัวใจอยู่แบะนี้ไปกว้านเข้ามาเผาตัวเองเมื่ออันนี้หมดแล้วใครจะไปกว้านใครจะไปหลอกไม่มีอะไรหลอกพ<ม>อสุดพุทธโธดูไหนอยู่ได้ทั้งนั้นโลกธาตุว่ามีก็มีทลางศัตรูแต่ว่ามีไม่ยึดไม่สําคัญมั่นหมายไม่ถือมาเป็นอารมณ์เพื่องดดทวงกิจใจ ว่าไม่มีก็ก็ไม่มีพ่อไม่ไปคิดไปอ่านไปปรุงไปแต่งไปสําคัญมันหมายเขารู้อยู่โดยดักธรรมชาติที่รู้ด้วยความเต็มผู้มัตัวเองหมดความหิวความโหยอยากในการอยากรู้อยากเห็นอยากคิดอยากปรุงอยากแต่งอยากสําคัญมันหมายสิ่งต่างๆที่เคยถูกหลอกลวงมานานแล้วนั้นด้วยอำนาจของกิเลสพาให้เป็นอารมณ์มันหมดเมื่อกิเลสหมดซะอย่างเดียวสิ่งทั้งหลายที่เคยเหลอกมันก็หมดเพราะกิเลสเป็นผู้พาหลอกเป็นผู้วาดขึ้นให้หลอกเนี่ยเชื่อของกิเลสมัน คืออวิชามพันหรอกเ่า ม, มันหมดน้ํายาแล้วก็ไม่มีอะไรอสบายโดยหลักธรรมชาติประชาอยู่ที่ไหนทีนสอมันหมดสมมติแล้วภายใกหัวใจคาดทาไมคาดความเป็นความตายคาดแต่อะไรเนี่ยความเป็นอยู่กับว่ า, าเฉยความตายแปบว่ า, าเฉยความไม่สุทธิ์เต็มที่มันเห็นอยู่ในใจน่ะ ไม่มีใครมาบอกก็ตามสันติฏฐิโกท่านม้อแพ้แล้วตามหลับความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบสันทิฏิโกจะบอกเป็นลําดับลำดัประจักษ์ในตัวประจักษ์ในตัวความเป็นอยู่กับว่ายเฉยความตาไปกับว่าเฉยความเมื่สุดเต็มที่มันเห็นอยู่ในใจนั่นไม่มีใครมาบอกก็ตามสันทิฏิโกท่านหม้อแพ้แล้วตามหลับความจริงของผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงามเป็นขั้นๆไปตั้งแต่ขั้นหยาบสันทิฏิโกจะบอกเป็นลําดับลำดักในตัวประจักษ์ จนกรั่งถึงสัติโกอันสุดยอดก็รู้อยู่ภายในนั้นน่นนี่คุณค่า่างการฝากฝืนนี่แหละหลักธรรมของพุทธเจ้าที่จะแก้สังหารสิ่งมหาภัยซึ่งเป็นอยู่ภายในจิตใจของสัว์โลกของเราของท่านให้ยึดให้นำไปปฏิบัติอย่าเห็นอะไรว่าเป็นของมีคุณค่าอย่าให้กิเลสมันไปคว้านมาหลอกมาตกหูตกตาตาเรามีตาเราเห็นอยู่นี่ กิเลสมันมาตกทําไมหูเราก็ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วมันมาตกหูเล่นทําไมสติปัญญาสร้างไว้เพื่อฆ่ากิเลสทําไมจะให้กิเลสมาฆ่าสติปัญญาหมอบก็ะดิกตัวไม่ขึ้นมีอย่างหรือนักปฏิบัติแท้อ๋อจริงเดิอะไรเห็นสิพูดนี้ไม่ได้พูดมาแบบเปนรุ่นดาๆนะพูดจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นได้เข้าใจอืเคย มันฟุดดอนรับถูกปิ้งมันเตะนั้นจะพอก็เคยแล้วอืไม่ใช่ไม่เคยแล้วมาอวดมาพูดมาเพื่อนทุกขนาดไหนเพราะอํานาจทงกิเลสก็เลยทุกมาพอประจักษ์หัวใจไม่มีวันลืมเพราะเป็นสัจธรรมลืมได้ยังไงอยู่ที่หัวใจเวลาฟาดกันขนาดไหนแพ้มันอย่างหลุดลุ้ยก็เห็นแต่ไม่ถอยก็รู้เอาจนมันราบแต่มันลาบไม่เห็นสิ กิเลส้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงคําว่าวิเศษวิเศษทําวิเศษนั้นคืออะไรวิเศษนะ่ะอือะไรที่มันเร็วอยู่เวลานี้ก็คือจิตถูกสิ่งที่ที่ถูกสิ่งที่เร็วเร็วสามทังท้งหลายครอบไงชาบทาไว้หมดก็ยังมองเห็นตัวเลยทียนี้เมื่อสิงชาบทาอันสกระปุกสมมแสนสมมนี้พังในวยหมดแล้วจิตวิเศษที่ไม่เสียมันก็รู้เองวิเศษก็สรรทมาลรู้โดยหลักธรรมาชาตินั่นแหละการปฏิมา ้ตังอกตั้งใจให้ฟื้นนะนักปฏิบัติแล้วเคยมาแล้วอยู่กับคารวะมากี่ปีกี่เดือนจนกว่าจะได้มาบวชจนมาถึงขนาดนี้มันถ้าจะนับปีนับเดือนลมลมเร่งแรงไปตามกิเลสมันกี่ปีกี่เดือนมาแล้วถูกหลอกถูกต้มมานานแล้วถ้าจะเข็ดก็ควรจะเข็ดถ้าหลับก็ควรจะหลาบทุกมันทุกมาแล้วนี่เพราะอํานาจของกิเลสทําไมจะไม่เข็ดมันเห็นอยู่กับตัวรู้อยู่กับตัวทับอยู่ในหัวใจของเรากายของเราอยู่แล้ว ทุกลูกทุกนางเอาทำ ม, มาจับทำไมจะไม่เข็ดควรจะเข็ดแล้วนี่ท่านประกาศทำก็ประกาศให้เห็นโทษที่เป็นโทษให้เห็นคุณที่เป็นคุณอยู่แล้วไม่มีอะไรกลมายาสาถัยอะไรอเรื่องของยี่เหล่อ๋อเรื่องของธรรมไม่มีหรอกนอกจากยิเหล่เท่านั้นตัวไหนก็ตัวเถอะหลอกทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยไม่มีตัวไหนที่จ้าของจริงมาอยู่ยื่นให้เรามีแต่ความหลอกลวงต้มถึงทั้งนั้นแหละแต่ทำไม่มีคําว่าหลอกลวงชิ้นหนึ่งก็ไม่มีที่จะมาหลอกลวงสัตว์โลก เอาให้มันเห็นเลยเมื่อเห็นในหัวใจแล้วมันนักรู้มั น, นหมดปัญหาไปเองทีนียวอ๋อที่นี่ดูหัวใจตัวชัดเจนนึกขนาดนั้นแล้วจนเตียนโลกไม่มีอะไรเหลือแล้วทําไมจะไม่รู้เรื่องของกิเลสมันทํางานอยู่บนหัวใจสันโลกมันแสดงงวดนายระการใดประเภทใดบ้างประเภทใดบ้างที่ไหนบ้างล้อมรอบอยู่ทั้งสายหูสายตามีอันนั้นมันแสดงต่อสิ่งที่มันอยู่ครอบหัวอยู่นั้น มันก็เห็นหมดแล้วสินี่นะวิชาธรรมเห็นได้อย่างนี้เองถ้าไม่มีวิชานี้เท่านั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วอยากเข้าใจว่ากิเลสมันจะแก่ตัวมันจะหมดอำนาจหมดฤทธิ์หมดอำนาจพาให้ปล่อยให้สัตว์โลกพ้นไปจากอำนาจทั้งมันเลยไม่มีทางจะกี่กับกี่กันก็เหมือนกับที่เป็นมานี้แหละต้นไม่มีปลายไม่มีเหมือนขอบดงมิ มีปลายมีต้นที่ไหนขอบดงมันวงกลมอยู่งั้นอันนี้ลักษณะโลกมันหมุนเวียนกันอยู่มีถ้าไม่โดดออกจากขอบวงด้วยอาจด้วยถา่าหกโดดคอออกจากขอบดงมันก็พ้นแตนั้นเมันก็ไม่หมุนถ้าอทำเข้าไปจับกับออกละ่ะจากขอบวัฏจิตวัฏจักรหากไม่มีนี้แล้วยังไงก็ไม่พ้นเนี่ย การประชุมกับผมเคยเคยพูดแล้วกําลังวังช้าไม่เหมือนแต่ก่อนมันสุดลงมากนีค่ความสงสารมูอเพื่อนจึงเลยจะเกลื่อนตะกายลงมาพูดก็ต้องระมัดระวังอาจจะเป็นตามนิสัยตามความผู้ถึงตัวเองมันก็ไม่เป็นอย่างนี้มันก็ไปเต็มที่ของมันนี่ต้องล้างอาไว้ล้างอาไว้แม้จะไม่เต็มเน็ดแต่หน่วยก็ขอให้ได้เข้าอกเข้าใจก็ยังดีดีกว่าไม่ได้มาพูดอะไหร ลงพากันตั้ง อ, อกตั้งใจให้เขารอบตัวเองทำอยู่กับหัวใจของเราทำอยู่กับบากับกิริยาความเคลื่อนไหวของเราจงพยายามเคลื่อนไหวให้เป็นธรรมอย่าให้เป็นความคืบความสนองเป็นเรื่องของกิเลสอยูบ่บนหัวพระมาแสดงความอยากโลนต่อ ก, กันละกันแพ่ไม่ได้อันนี้เป็นตลาดล้านสแสวงธรรมไม่ใช่ตลาดค่ากิเลสอวดเอากิเลสมาอวดกัน อย่าให้มีมระมัดระวังเหนื่อยแล้วเอาละ่ะพูดเปพนนีปพูดไปพูดไปไนไหนนี่เราจะทำไงไม่ม